ใ่ให้ดีต่างคนต่างเกิดมาในโลกนี้แล้ะต่างคนต่างสร้างบุญกุศลมามากบ้างน้อยบ้างมันจึงไม่เหมือนกันเนี่ยมนุษย์เรานะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้ นึกถึงบุญวัสนาของตอนอันบุญวัสนาหนนหลังถ้าตนไม่นึกถึงมันก็ไม่เกิดขึ้นแัง น, นั้นต้องนึกถึงบุญวัสนาหนนหลังที่ตนทำมาไม่ใช่ไม่ทำความดีมาแต่ก่อน คนไม่ได้ทำความดีมาแต่ก่อนนะมันไม่ได้เกิดมาเป็นคนกูได้เคยทำความดีอย่างไรมาเกิดมาชาตินี้มันก็ชอบทําความดีอย่างนั้นเช่นเคยเป็นนักบวชมาแต่ชาติก่อนเกิดมาชาตินี้มันก็พอใจในความเป็นนักบวช นิสัยเดิมเนี่นมันติดมาคนที่เคยครองเรือนมามีใจผูกพันอยู่กับการครองเรือนเกิดมาชาตินี้มันก็ชอบใจในการที่จะครองเรือนมันจะยากลำบากอย่างไรก็สู้เนื่องจากว่ามันชอบใจนี่แหละ ความดีต่างๆนี่ต่างคนต่างทาเอามาคนละอย่างคนละเรื่องกันไม่ใช่อย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นบุญกรรมแล้วนะมันมันจึงมาตกแต่งให้ผิดแผกแตกต่างกันไปตลอดถึงร่างกายก็ไม่เหมือนกันดวงจิตก็ไม่เหมือนกัน จะริดนิดสัยนะไม่เหมือนกันบางคนก็นิสัยไม่หนักแน่นโดยเป็าคนมีนิสัยใจคอล็อกแลลกอ่อนแอทำอะไรให้เข้มแข็งไม่ได้ เรากำลังใจนะมันอ่อนแอบางคนก็มีใจคอหนักแน่นเข้มแข็งองเลยทำอะไรลงไปไล้ทำจริงเอาใจใสจ่จริงอันเรื่องหมนีนะ่ะมันเกิดขึ้นจากนิสัยปัจจัยที่แต่ละบุคคลกระทำมาแต่ชาติถนหลังนูน้น มันติดตามมาที่ท่านกล่าวว่าอุปนิสัยนั่นนะ่ะนันน่ะอุปนิสัยคือจริตนิสัยที่เคยฝึกตนมาอย่างไรแต่ชาติก่อนนุ่มมาชาตินี้มันก็ติดตามมาแต่ว่าจริตนิสัยที่อันใดมันเป็นไปในทางไม่ดีเรารู้ เมื่อผู้มาภาวนาสมาธินี่ก็รู้เรื่องตัวเองเมื่อรู้ว่านิสัยอันใดมันไม่ดีก็เพียนละมันออกไปเมื่อรู้ว่านิสัยอันใดมันดีก็รักษาไว้จึงเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรือว่าผู้ภาวนาเป็นผู้เลือกเว้นสิ่งที่มา แข็งอยู่ในจิตใจของตนนี่นะมันมีทั้งดีทั้งชั่วเพราะเหตุนั้นนะพระพุทธเจ้าถึงสอนให้ภาวนาคัดเลือกออกไปคัดเลือกอันชั่วอันไม่ดีออกไปเอาแต่อันดีๆไว้เอาแต่อันดีๆไว้อันชั่วไม่เอา แล้วเมื่อเอาอันดีๆไว้อันดีมันก็จงแต่งบุคคลผู้นั้นให้ให้เป็นคนดีนั่นเองทำให้เป็นคนใจดีใจมีเมตตาอารีทำให้ใจสงบเยือกเย็นมีปัญญาเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสาร เห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์เห็นไปว่าตันหาความทยานอยากโดยประการต่างๆนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกขออ์มันมีความเห็นอย่างนี้ขึ้นในใจคนผูกมีอุปนิสัยวาสนาบรารมีแก่กล้าคนบุญน้อยวาสนาน้อย มันมองไม่เห็นทุกข์ภายในสงสารมองไม่เห็นว่าตันหานี่มันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไรมองไม่เห็นไม่คิดจะละมันเลยเออนี่แหละในระหว่างคนมีบุญมากกับคนมีบุญน้อยมันย่อมแตกต่างกันไม่เหมือนกันผู้ใดรู้ว่าตนมีบุญน้อย ก็รีบเร่งพยายามสั่งสมบุญเข้าไปเห็นถ้าเห็นว่าตนมีบุญน้อยแล้วก็เลยไม่ทำต่อเลยเลยตามเลยไปอย่างนี้มันก็น้อยอยู่นั้นเลื่อยไปดีไม่ดีก็บุญหมดซ้ำมเมื่อไม่ทำเพิ่มเติมเข้ามันก็หมดไปได้เหมือนอย่างน้ำในโอง่งในไห เมื่อไม่ตักมาใส่เพิ่มเติมไว้อย่างนี้มันก็หมดไปหมดไปในที่สุดมันก็แห้งขอดเท่านั้นเองเบุญกุศลความดีต่งตางๆเหมือนกันอย่างนั้นแหละถ้าไม่ทำเพิ่มเติมเข้าไปแล้วมันก็หมดเป็นเหมือนอย่างเรื่องของอพุตกะเศรษฐีเนี่ย ตั้งแต่ชาติก่อนหนหลังโน้นได้เป็นเศรษฐีเป็นคนร่ำรวยแต่ทันนีวันนั้นพระเะเจกผูุ้ทเจ้าออกจากนิโรบาสมาบัติมาแล้วท่านก็มายืนอยู่หน้าบ้านเศรษฐีเห็นเข้าไปเกิดศรัทธาขึ้นอย่างไรเป็นครั้งแรกเลยสั่งให้ภรรยานั่นเอาอาหารอันปณนิตมาใส่บาตร ให้พระพจกตรุษเจเ้านั้นพอใส่พอภรรยาเอาอาหารเตรียมมาใส่บาตรเสร็จถีก็ออกไปนอกบ้า น, นเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาไปเจอพระพจเตรองนั้นเข้าไปขอบุดูบาทท่านท่านเปิดบาตให้ดูนึกเสียดาย อาหารที่ภรรยาใส่บาทให้พ่อพระเจกนั้นแม่อาหารนี่มีแต่อันตนนิจบันจงสมณะนี่เอาไปบริโภคแล้วก็จะนอนหลับไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้แก่เราเลยถ้าเอาอาหารนี้ไปให้คนใชายของเรากินเขายัางจะได้ทำงานให้เราผลประโยชน์จะเกิดมีแกเรา ให้ทานแล้วสอดแคล้วกินแหน่งในภายหลังให้ทานแล้วนึกเสียดายในภายหลังออกรรมมันก็าตามสนองบบบนี้เกิดไปชาติใดก็ร่ำรวยเงินทองได้เป็นเศรษฐีทุกชาติแต่ว่าตันนี่ห่วงแหนทรั์เหลือล้นพ้นประมาณให้ทานไม่ได้ แม้แต่จะ บ, บริโภคใช้สอยในบ้านนั้นก็ฟืดเครื่องเต็มทีเศรษฐีไม่สั่งใจยก็จ่ายไม่ได้ถ้าจ่ายมาก็อาหารก็มีแต่อาหารราคาถูกๆของเร็วๆผ้านุ่งผ้าห่มอะไรก็เหมือนกันงานพาาน่าก็ของเก่าๆค้ำค่าไม่มีอะไจะไม่เอี่ยมเหมือนอย่างคนอื่นเขา แล้วอภุดตากาศเศรษฐีนี่เกิดมาชาตินั้นก็ไม่มีลูกอีกด้วยแต่ชาติก่อนนั้นได้ไปฆ่าลูกพี่ชายตายกรรมนั้นเลยตามสนองเกิดมาชาติใดก็ไม่มีบุตรออถึงชาติสุดท้ายนี่เศรษฐีนั่นเกิดมาชาติใดก็มีแต่ตณี อา น, นิสงส์ที่ได้ให้ทานแกพ ร, พระเรพเจ้าเจ้ามนแรงให้ผลมาถึงสามสิบชาติได้เกิดเป็นเศรษฐีมาสามสิบชาติในสามสิบชาติไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยมีแต่มาหววสมบัติอะไรอย่างนั้นนะชาติสุดท้ายนี่ก็ไม่ได้ทำบุญอะไรเลยเพอตายลงบัด น, นี้หาผู้ที่จะมารับ มรดกไม่ได้ขาไม่มีองศาขนาญาติเข้าใจว่าเกิดมาแล้วก็พ่อแม่ญาติพี่น้องก็ตายกันไม่หมดเหลือแต่ตัวกับเมียเท่านั้นละมั้งตาพอตายลงแล้ววันนี้ก็ประกาศหายาติพี่น้องผู้รับมรดกไม่มี ในตำราไม่ได้ระบุถึงภรรยาภรรยานี่ยเข้าใจว่าคงตายไปก่อนแล้วมั้งเ <c oughs> มื่อไม่มีญาติพี่น้องมารับบรดกก็เป็นสมบัติกร่ตกเป็นของพระมหากษัตริย์พระเจ้าประเศนอิกโกสรยิงให้คนออเอาเกวียนห้าร้อยเล่มไปขนเอาเงินเอาทองของเศรษฐีไปใส่ยุ่งใส่ฉางของหลวง เสร็จแล้วก็ไปเฝ้าทูลถามคติพบของอภุธกาศเศรษฐีพระศาสดาก็ทรงตรัสว่าอบุธกาศเศรษฐีไม่ได้ทำบุญอะไรมาแต่ก่อนเลยได้สั่งให้ภรรยาใส่บารให้พระพจเจพริเจ้าแต่ชาตินูน้ น, นต่อจากนั้นมาเขาก็ไม่ได้ทำบุญลำทานอะไรเขามีแต่เสียดายแส่หหวงเห็นทรัพย์สมบัติ จนมาถึงชาตินี้ก็ไม่ได้ทำบุญทําทานบุญเก่าที่เขาทํามาแต่ข่าวสั่งให้พระรยาใส่บาตรให้พระพิเจษพระเจ้าก็หมดลงแล้วไม่มีเลยว่างั้นแล้วเขาตายแล้วเขาไปเกิดที่ไหนทรงตรัสว่าตายแล้วไปตกนรกชื่อว่ามหาโรรุ่นนรกแล้วเขาจะ พ้นได้เมื่อไรทรงตรัสตอบว่าไม่มีกําหนดไม่ทราบว่าจะพ้นได้เมื่อไรเพราะว่าบุญกุศลไม่ได้ติดตัวเข้าไปแม้แต่น้อยเดียวนั่นแสดงว่าคนเรานี่ถ้าไม่มีบุญแล้วถ้าไปตกนรกก็ไม่มีวันพ้นนะเพราะไม่มีบุญกุศลช่วยเหลือ ไม่มีวันพ้นกำหนดไม่ได้ซ้าเลยแต่ผู้ที่ตกนรกอื่นๆแล้วพระพุทธเจ้าทรงกำหนดได้ว่าตกนรกไปเท่านั้นกลับเท่านี้กันเขาก็จะพ้นไปทรงกำหนดได้แต่อภุตกาตเศรษฐีนี่กำหนดไม่ได้เลยเพราะว่าเขาไม่มีบุญติด ต, ตัวไปแม้แต่น้อยเดียว ไอเรื่องนี้เนี่ยมันควรคิดควรพิจารณาให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจของคนเราว่าคนเรานี่จะมีความสุขความเจริญได้ในขั้นไหนๆ น, นี่มันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาขึ้นอยู่กับบุญกุศลคุณความดีที่แต่ละบุคคลกระทำสั่งสมโอมานั่นเนี่ย ถ้าผูใ้ใดหมดบุญไม่ทำบุญอะไรบุญเก่าก็หมดบุญไม่ก็ไม่ทำแล้วก็ชีวิตนี่ก็มีแต่จะตกทุกข์ได้ยากลำบากเรียกว่าไปตกนรกลูกเดียวก็ว่าแล้วก็ว่าได้แล้วพูดง่ายๆดังนั้นนะไม่ควรปฏิเสธเรื่องบุญสำหรับผู้นับถือพระพุทธศาสนาแล้วมันต้องเชื่อบุญเชื่อบาป ตามคําสอนของพระเจ้าถ้าผูใ้ใดปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องบาปแล้วผู้นั้นไม่ชื่อว่าเป็นชาวพุทธไม่ได้นับถือพุทธศาสนาอผู้ดใดยังถือว่าตนนับถือพุทธศาสนาอยู่อย่างนี้มันต้องเชื่อบุญเชื่อบาปเพมีจริงนั่นนะก็ตรงกันข้ามเนะี่ยบุคคลผู้หมดบาปแล้วก็เข้าสู่นิพพานนะ เท่านั้นเองนั่นแหละบุคคลได้หมดบุญแล้วไม่มีบุญเก่าก็ไม่มีบุญใหม่ก็ไม่มีก็ลงนรกอันร้ายกาดลูกเดียวแล้วก็ไม่มีวันพ้นอีกด้วยต้องระวังทุกคนนะอย่าไปประมาทในการสั่งสมบุญกุศลแม้ไม่ได้ทำมากก็ให้ได้ทำน้อย ทำไปทีละเล็กทีละน้อยค่อยผสมไปค่อยสะสมไ ป, สสมไปทีละน้อยะน้อยมันก็มากขึ้นเองพระพุทธเจ้าต ร, ารัสไลยอุปมาไว้เหมือนน้ำหยดชายคามันหยดไม่ถอยมันก็ทำน้ำนั้นให้เต็มโองงไหที่ตั้งไว้รองน้ำชายคานั้นใต้ชายคานั้นได้เหมือนกันนะม่จาเป็นต้องฝนต้องตกมากๆ แม้ฝนตกแต่เที่ยงเล็กน้อยแต่มันตกไม่ถอยน้ำมันก็หยดลงจากสายคาลงสู่ไหน้าสามารถทำไหให้เต็มได้เหมือนกันฉันใดบุคคลผู้สั่งสมบุญกุศลนี่พาเพียนพยายามทำไปตามกำลังความสามารถของตนของตนเพราะบางคนก็มีความสามารถน้อย บางคนก็มีความสามารถมากไม่เหมือนกันคนเราเป็นอย่างนั้นผู้ที่มีความสามารถน้อยนั้นเมื่อเพียรทำไม่ท้อถอยมันก็ ม, มากขึ้นโดยลําดับแหละแต่มันก็อาศัยเวลานานสักหน่อยไอ้ผู้ที่มีความสามารถมากนั่นนะเขาทําความดีอะไรก็ทำมากมากไม่ทาน้อยเช่นภาวนาสมาธิอย่างนี้ก็นั่งภาวนาเอา เอาจริงจริงยังจังอธิษฐานใจลงไปถ้าใจนี้ไม่สงบรวมลงเป็นหนึ่งก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ตายกับนี้ใจเด็ดเดียวสละตายลงเพื่อความสงบใจมันทาลงไปอย่างนี้อธิษฐานใจอย่างนี้ทำความเพียรเจริญภระกรมาฐานไปถ้าใจนั้นไม่สงบก็ไม่ เพื่อน อ, อกจากริยาบทสมาธินี่เลยเอาไปเอามามันกลัวตายมันก็มันก็รวมลงแล้วมันเจ็บมันปวดมากออืเขาไปพูดนั้นเรียก ว, ว่ารักษาวความสัตว์ความจริงใจไว้มันจะเจ็บปวดยังไงก็ไม่ยอมละความสัตว์ความจริงนั้นไอ้อย่างนี้ในจิตมันก็ทนไม่ไหวแล้วมันต้องรวมลงออื <c oughs> นั่นเรียกว่าคนใจคอหนักแน่นคนเคยรักษาควสัตว์ความจริงใจมาคนที่ไม่เคยตั้งความสัตย์ความจริงใจใส่ตนของตนเลยเนี่ยเป็นคนหล่ะแหละเร็วไหลเอาจริงเอาจังอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนนะให้พึ่งฝึกฮัดอ บ, ม บ, บ ร, รมสัจจะบารมีให้เกิดให้มีขึ้นในตน อย่าไปละเลยบรารมีข้อนี้นะสําคัญมากทีเดียวมันจะทำให้บุญบรารมีแก่กล้าขึ้นได้ก็โดยอาศัยสัจจะบรารมีนี่แหละคนไม่มีความสัตย์ความจริงใจแล้วเป็นคนจับจดจับจ่อทำอะไรไม่จริงไม่จังไม่ได้รับผลเท่าที่ควรนะเมื่อเป็นเช่นนี้บุญบรารมีมันก็แก่กล้าไม่ได้ ดังนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจทำความเพียรเพ่งทีนิดในดวงกิจนี้ให้ดีๆอย่าให้มันอ่อนแอท้อแท้ต้องปลุกปลอบใจนี้ให้เข้มแข็งอยู่เสมอมันก็ยังต่อสู้กับนิวรณธรรมห้าอย่างนั้นได้ถ้าใครไม่ ต่อสู้เอาชนะนิวรณ์ห้านี้ไม่ได้จิตใจก็ไม่เป็นสมาธิจิตใจก็อ่อนแอหลออแหละเหล๋ยวไหลไปตามเรื่องใจอย่างนั้นแหละใจไปตกนรกอะต้องเข้าใจอันนั้นแหละมันจะไปสู่นรกอ่ะใจหล่อแหล่อ่อนแอทําความดีให้เป็นล้าเป็นสันไม่ได้นั่งภาวนาก็มีแต่ง่วง โงกอยู่อย่างนั้นใจไม่ชื่นไม่บานต่อความสงบต่อคุณธรรมอันดีงามในอย่างที่ไม่ได้เรื่องอะไรเลยทุกคนต้องเอาชนะความง่วงให้ได้อย่าไปย่อท้อนี่แหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพระองค์อุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลก เมื่อพระ อ, องค์เอาชนะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายได้หมดแล้วพระ อ, องค์ยงได้เที่ยวาจาริกสแสดงธรรมพยุงศรัทธาความเชื่อความรวอนใสของผู้ฟังทั้งหลายนะให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นไม่ท้อไม่ถอยอให้เป็นผู้มีใจเด็ดเดี่ยวนั่นแหละพระธรรมเทศนาของพระเเจ้านะ เมื่อพระองค์ทรงสแสดงไปแล้วผู้ฟังหลายชื่นใจใจเบิใกใจบานใจตั้งลงได้สามารถทำกุศลคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เมือ่อผู้ใดได้ฟังพระธรรมคำสอนของพุทธเจา้าด้วยดีฟังด้วยความเคารพจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าฟังแต่ ขอไปทีเท่านั้นตั้งใจฟังจริงๆเหมือนอย่างธรรมะที่บรรยายให้ฟังในวันนี้เลยข้อใหญ่ใจความก็อยู่ที่บุคคลเราเนะ่ะทำอะไรต้องให้มีความสัต์ความจริงใจนี่ข้อใหญ่ใจความที่เราจะถือเอาไปฝึกตน คนส่วนมากแน่นอนนะมักจะละเสียซึ่งความสัตว์ไม่ค่อยเคารพต่อความสัตว์เพราะฉะนั้นจึงทำบุญกุศลความดีให้เจริญมากขึ้นไปไม่ได้ผู้ใดประสงค์ที่จะเพิ่มพูนบุญกุศลบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปแล้วต้องเคารพในความสัตว์ ตนคิดจะทำอะไรลงไปแล้วตัดสินใจลงว่าจะทำอย่างนี้แหละเป็นความดีเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างนี้นะก็ทำตามที่ตนตั้งใจลงตัดสินใจลงไปนั้นให้มันให้กิจการงานแนะี่มันสำเร็จลุล่วงไปตามที่ตนตั้งใจไว้จริงๆอย่างนี้เมื่อทำได้นี่บุญกุศลมันก็มากขึ้นได้ มันเป็นงานเลี้ยงวนะ่ะนะการงานแต่ละอย่างทําลงไปนี่มันไม่ใช่ไม่มีอุปสรรคอ่ะมันมีอุปสรรคมาขัดขวางทั้งนั้นเลยผู้ใดกําลังใจอ่อนแอนะมันก็ฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปไม่ได้เราทาความดีให้สูงขึ้นไปไม่ได้ไเป็นอย่างนั้นผู้ใดมีใจอดทนเข้มแข็งมีความเพียร ไม่ท้อไม่ถอยแล้วผู้นั้นต่อไปก็มีกำลังใจเข้มแข็งไปเรื่อยๆเอ า, เอามาชาินี้มันจิตใจสักหลอดและเรียวไหลแล้วก็ตั้งสั จ, จ บ, บรรมมีลงในใจนั่นเพื่อฝึกจิตให้มันเข้มแข็งขึ้นด้วยความสัตย์ความจริงใจ เมื่อเราพูดกับใครว่าจะทำอะไรที่ไหนนัดกันไว้อย่างไรและเช่นนี้มันก็ต้องเอาใจใส่จดจ่อไว้พอถึงเวลานัดกันมาแล้วก็ต้องไปทำนัดอันนี้ก็เป็นความสัตย์อันหนึ่งนะนี่นะไม่เช่นนั้นแล้วคนผู้นั้นไม่ได้รับความนิยมนับถือจากคนอื่นเลย พอตกลงกันแล้วพูดกันแล้วนะกันแล้วว่าเราไปพบกันตรงนั้นนะไปทากิจธุระอย่างนั้นร่วมกันอย่างนี้นะี่ยพอถึงวันถึงเวลานั้นมาแล้วไม่ไปพบกันตรงนั้นเลยเพื่อนก็เสียใจเท่านั้นเองเนะี่ยเพื่อนก็ไม่ไว้ใจคนนั้นต่อไปแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมสุกขร่วมทุกข์กันไปไม่ได้ นี่เป็นอย่างนี้นะโทษที่ไม่มีสัจจะความจริงใจเนะี่ยมันมีโทษมากมายเพราะฉะนั้นทุกคนนะให้สร้างสัจจะบา ร, รมีให้เกิดขึ้นในใจให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะพ้นทุกข์ภัยในสงสารอันนี้ไปไม่ได้พระองค์พ้นทุกข์ภัยในสงสารได้ก็เพราะพระองค์มีสัตมีจริงอยู่ในใจ พระ อ, องค์สเสวงหาอริยสัจธรรมนั่นคือธรรมของจริงอันประเสริฐนี่เมื่อเมื่อพระ อ, องค์บรรลุรู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี่แล้วนั่นพระ อ, องค์จึงได้ปฏิ ญ, ญาณตนว่าพระ อ, องค์พ้นทุกข์แล้วเป็นอย่างนั้นการที่พระ อ, องค์จะ คนทุกข์ไปได้อย่างนั้นก็เพราะว่าตั้งความสัตว์จริงลงไปว่าเราจะพิจารณาดูเรื่องทุกข์อย่างนี้นะก็ให้มันเห็นเรื่องทุกข์นั้นจริงๆจนเบื่อหน่ายในทุกข์นั้นทุกข์นั้นมันอยู่ไหนอยู่ในขันห้านี่นะั่นไยทำไมยังเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะเป็นภาระอันหนักภาระหาเวปัญจักขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระอันหนัก ต้องหาเลี้ยงมันแสนทุกข์แสนยากแสนลําบากอย่างนี้นะต้องตั้งความสัตย์จริงใจเราจะพิจารณาเห็นทุกข์เห็นภัยในขันหานนี้แหละพิจารณาให้เห็นตัณหาเป็นเหตุหห ใ, หให้เกิดทุกข์จริงๆตัณหานี่อมันเป็นเหตุให้ไปสู่นรกอาปายภูมิก็เพราะตัณหานี่แหละ ตันหาพาให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าก็ตันหาหมึงกันแต่ว่าตันหาันเป็นฝ่ายอเป็นฝ่ายกุศลตันหาพาไปสู่อาบายภูมิทั้งสี่มีนกเป็นต้นเป็นตันหาที่เป็นฝ่ายอากุศลนั่นตันหาประเภทนั้นต้องละมันสละมันไปต้องมีความเพี้ยนพยายามสลักละตันหาอันนั้น ให้มันน้อยเบาบางไปเรื่อยๆถ้าผู้เคารพในคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆผู้ใดรู้สึกสํานึกตนว่าตนนั้นเป็นบริษัทบริวารของพระพุทธเจ้าหรือเป็นสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าผู้ใดรู้ตัวอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องตั้งความศักดิ์ความจริงใจลงต่อข้อวัดปฏิบัติ ด, ดังกล่าวมานั้นนะ เอาจริงเอาจังไม่ท้อไม่ถอยแล้วอย่างนี้กิเลสตัณหามันก็บาววังออกไปจากกิจใจได้จริงๆเย่ยผู้ใดทำจริงไม่ว่าเครือขัดไม่ว่านักบวชก็ต้องได้รับผลแห่งความภาคเพียรความความเป็นผู้มีสัตว์มีจริงอยู่ในใจนั่นนะจะต้องได้รับผลเป็นที่อุ่นใจในภายหลัง เพราะฉะนั้นทุกคนให้ชอบต่อความสัตย์ความจริงความไม่จริงนั้นอย่าไปชอบมันมันหลอกลวงให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมานับชาติแนละ้วพบไม่ทวนแล้วต้องมุ่งหน้าต่อสัจธรรมคำสอนของพระตยเจ้าดังแสดงมาให้พากันทำความเข้าใจกับตัวเอง ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรต้องถามตัวเองดูตัวเองจะตอบตนเองว่าอย่างไรนั่นนี่ะมันต้องฝึกเนะคำว่าฝึกก็อย่างนี้แหละเมื่อตอนตอบตอนเองว่าเกิดมาในโลกนี้ก็ไม่รู้เลยพอเกิดมาแล้ว มันจเจริญไว้ใหญ่โตเราจึงรู้ว่าตนเกิดมาก็ไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรนั่นเอง<ม>ก็ด้วยเหตุนี้เราจึงได้อาศัยคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั่นแหละเพราะเราไม่รู้จริงๆนะใครก็ไม่รู้ทั้งนั้นนะเกิดมาทีแรกไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไร <c oughs> ทีนี้เมื่อเจริญไว้ใหญ่โตมาแล้วมาพบกับอุปสรรคนานาประการอุปสรรคต่างๆบางอย่างก็แก้ไม่ตกเลยบางอย่างก็แก้ได้ทีนี้เมื่อมาได้ฟังคําสั่งสอนของพระเถรเจ้าแล้วจึงรู้ได้ว่าอุปสรรคของชีวิตอันใดที่แก้ไขอย่างไรก็ไม่ตกนั้น มันเป็นผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวทํามาติชาติก่อนมันตามมาสนองเอาเราจะรู้ได้เพราะได้ฟังคําสอนของผู้เผยเจ้านี่แหละถ้าเมื่อไม่ได้ฟังคําสอนของผู้เผยเจ้านี่มืดแปดด้านจริงๆเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนั่นแหะพวกไม่รู้แจ้งในคําสอนของผู้เผยเจ้าอย่างเนี้ยังถูกเขาหลอกเอาเงิน หมอดูหมอดาวไปทำนายเป็นเคาะเป็นเข้นเป็นเสนียดจันไนอะไรต่ออะไรต้องสะเดาะเพาะต้องผูกดวงเพียงจะอยู่เย็นเป็นสุขได้อ่าอย่างนี้ตนไม่มีความรู้ในเรื่องของชีวิตนี่ก็เชื่อเขาทมตามเขาให้เขาหลอกเอาเงินไปใช้สบายแต่แล้วโรคภัยไข้เจ็บมันก็ของเกา ถึงหมอไม่สะดอกเคาะผูกดวงอะไรถ้าถ้าเป็นโรคภัยที่ไม่เกี่ยวกับกรรมเวรหนหลังแล้ว